วันนี้วันไหไวันที่เหรอฮะวันนี้วันที่แล้วแล้วพวกนี้มาจากน้นเหรอเนี่ยไม่ใช่ไปอาจาร กิดรอดด้วยเลยเหรอมามากี้เห กลับหรือกลับตอนไหนเพิ่งกลับจากเขาข้านะอเน่ะเพิ่งกลับเข้ามาเนี่ยอ้อาวกลับอะไรดึกปว่านี้รถ ว, วิ่งสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงครึ่งขายหมดวันเลยเหรอฮะ ที่ไหนที่สนุโล ก, โ, ลกโอ้ไปพี่สนุโลกอีกไม่ใกล้ะนะออกแคมสนไปนู่นอืมโอหไม่ใกล้นะ จตินราชเป็นศิละปะประจำพิษสุโลกเราจำประวัติไม่ได้หรอกจำประวัติไม่ได้ปุตชินราชสวยงามศิละปะงามงามอ่อนช้อย ถ้าจะทําเป็นพระพุธชินราชคนมากช่างเก่งช่างจะทําจนคล้ายจนเหมือนนะเพราะมีมีองค์จริงให้ดูมีองค์จริงให้ดูยอมทําให้เหมือนเราเคยไปครั้งหนึ่งไปกราบครั้งหนึ่งพระพุธชินราชมีพระคอยดูแลอยู่นู่นแหละ พระพุทธเจนราศก็คือพระพุทธเจ้าของเราน่แหละเป็นตัวแทนองค์แทนพระพุทธสิหิงพระพุทธเจนราศพระไพรีพินาศพระอะไรนะทิวัตบวรบนนะ่ะพระอะไรอีกนะกตั้งชื่อไป ก็คือพระรูปของพระพุทธเจ้าเป็นองค์แทนองค์กราบสลับกราบไหว้เราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านบางศาสนาเขาไม่มีอะไรเป็นเครื่อง กระาบไปแต่ยังไงคนเรามันก็ไม่พ้นสร้างสัญญาเร า, เราดูไปในใจก็รู้มันสัญญาในใจมันมีอยู่นะไม่มีพระเจ้าให้กราบ แต่มันก็ไม่พ้นสร้างสัญญาขึ้นมาสัญญาคือมโนภาพลองดูไปทีสัญญาคือมโนภาพโดยปกติของจิตมันมีสัญญาขันสัญญาขันมันเป็นขันขันหนึ่งมันเป็นกองกองหนึ่งมันเป็นอาการอาการหนึ่งของใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เวทนาก็เกิดขึ้นจากใจสัญญาก็เกิดขึ้นจากใจสังขารก็เกิดขึ้นจากใจวิญญาณก็เกิดขึ้นจากใจเป็นกิริยาอาการของใจเป็นกิริยาการของจิตหรือของผู้รู้หรือของาธาตรู้เราใช้คำว่าธาตุเราใช้คำว่าธาตุ ว่าธาตุนะดูมันจะสนิทใจดีคือในกายของเราเนี่ยมันมีธาตุรู้ธาตุรู้นี่เป็นนามธรรมามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่รู้ด้วยตัวของตัวเองแต่ผู้ที่ท่านมีฤทธิอ์อมมอพิญญาณท่านสัมผัสได้สัมผัสจิตคนอื่นได้ธาตุรู้ ธาตุรู้ก็มีอยู่ประจำดั่งเดิมในโลกธาตุไม่รู้คือรูปนี่นาะก็เป็นธาตุมีอยู่ประจำดั่งเดิมของโลกเป็นธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟอากาศสาตวธาตุเหล่านี้เป็นธาตุที่ไม่มีภูมิรู้ไม่มีความรู้ในตัวมาประกอบกันเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมาเป็นเราเป็นท่านอยู่ในนั่งเนี่ย การเกิดของมนุษย์ปันป่นจะขันรปูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกรูปกับนามรูปกับนามนามรู้รูร้แต่ว่ามีแต่สัมผัสไม่ได้รู้ือตัวของตัวเราเองแต่ผู้ที่มีฤทธิ์มีเดชสัมผัสได้นะ สัมผัสได้เหมือนอย่างพระอนุรุท ธ, ธะเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสัมผัสจิตคนอื่นได้ละเอียดขนาดนั้นแล้วยังมียังมีความสามารถไปสัมผัสได้ไปรู้ได้อีกจะกลายเป็นว่าผู้รู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยผู้รู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยสัมผัสไม่ได้ ถ้าไม่าพาดพิงสมมตินะผู้รู้ที่บริสุทธิ์ถ้าไม่าพาดพิงสมมติเนี่ยสัมผัสไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้อย่างพวกเรานั่งภาวนาบางคนก็เห็นพระพุทธเจ้าเอยเห็นอะไรแต่อะไรเออนี่ก็มาในรูปสมมติเกิดจากสัญญาสังขารเราปรุงขึ้นมาเอง หรือบางทีก็เป็นภาพนิมิตเป็นรู ป, ปนิมิตเป็นสมมุติขึ้นชื่อว่ารูปให้เห็นเนี่ก็ถือว่าเป็นสมมุตินั่นแหละเป็นสมมุติมาพาดผิงเพื่อให้รู้ให้เห็นสร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าท่านมีมีเป็นตัวเป็นตนจริงๆ ท่านมีพระราชบิดาท่านมีพระราชมารดาพระเจ้าสุโทธทนะพระนางสิริมหามายาเป็นพระราชปีดาเป็นพระราชมารดาท่านเป็นมนุษย์ดีๆเหมือนเราเหมือนท่านนี่เองแต่ท่านมีความสามารถท่านไม่ใช่เทพท่านไม่ใช่พระเจ้าท่านไม่ใช่สิ่งที่มองไม่เห็นเพียงแต่นึกระลึกรู้ด้วยใจไม่ใช่ ท่านเหมือนเราแต่ท่านมีภูมิรู้วิเศษเหนือเราเหนือสัตว์ทั้งหลายเหนือโดยการค้นคว้าหาสัจธรรมเห็นด้วยพระองค์เองแล้วก็มีอุบายมีวิธีแก้ไขพิจารณาคนา้นคว้าจนทำให้จิตที่เศร้าหมองที่ขุนมัวเป็นมลทินของใจเนี่ยมันหลุดออกไปจากหัวใจได้คือกิเลสน่นแหละ ทำให้หมดภพหมดชาติที่จะต้องไปขึ้นสูงสู ง, สงต่ตําๆเปลี่ยนนี้ไปเกิดที่น่นเปลี่ยนที่น่นไปเกิดที่นี่เกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายนิ่งของที่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งที่จะไปต่อที่จะไปเติมไปเพิ่มอีกเนี่ยพระพุทธเจ้า ม, มีความสามารถแต่นึกคิดทำด้วยเรี่ยวแรงไม่ได้ ต้องมีเครื่องช่วยเสริมช่วยสนับสนุนสร้างบารมีเหมือนที่วันก่อนเราพูดถึงบารมีสร้างบารมีก็คือสร้างพลังสร้างพลังเอาไวา้สร้างบารมีเอาไว้ทานบารมีศิลบารมีทานศิลนเนี่ยคะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบกขา บารมีแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละอย่างแต่ละอย่างบารมีแต่ละอย่างล้วนแต่เป็นกิริยาอาการที่เราไปประกอบเป็นงานว่า ง, งั้นเถอะทานก็คือางานคือเหมือนอย่างที่เราไปทาทานมานี่ไปตั้งโรงทานมาศินก็คือต้องประกอบต้องประกอบตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเว้น เนคขมะคือกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งออกจากบ้านจากช่องไปบวชเนคขมะคือการออกบวชไปถือศีลดาบวดไปถือศีลฤสีไปบเพ็ญอยู่ในป่าในเขาอย่างทุกวันนี้ก็มาถือศีลแปดตั้งใจสมาทานบวชก็ถือว่าบวชก็ถือว่าเนคขมะ สิ่งสของนับสัมเนเนีย่ยตั้งใจสมาทานแล้วก็ถือเอาตามนั้นก็ถือว่าบวชศี่สิบเนี่ยเป็นพระเจ้าประสงค์เราเนี่ยในธรรมะคือการออกบวชการออกบวชก็คือออกจากสถานะหนึ่งมาอยู่อีกสถานะหนึ่งจากอยู่บ้านอยู่ช่องก็มาอยู่ไม่มีบ้านไม่มีช่องเป็นอนาคาริก ไม่มีไม่มีบ้านไม่มีช่องอยู่บำเพ็ญอย่างนี้แหละออกจากบ้านจับช่องมาเนี่ยขมานคือการออกบวชปัญญาก็ต้องสร้างสร้างเสริมอ บ, อบรมปัญญานี่แหละเป็นหัวเข็มที่แหลมคมสลายจะแทงทะลุ ยยายธรรมแทงทะลุสั จ, จรททยยธรรมแทงทะลุยยาธรรมแทงทะลุกิเลสบาปกรรมปัญญาถ้าจะเทียบกันมันก็เข็มแหลมๆนั่นแหละแท ง, แงทะลุเจาะรูทะลุมองด้วยสติด้วยปัญญาให้ทะลุเข้ามาทะลุก็คือรู้เหตุ รู้ปัจจัยถึงเหตุถึงปัจจัยเห็นเหตุเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ยคือแทงตลอดแทงทะลุพยายามแทงก็คือปฏิบัติมรรคเนี่ยพอแทงตลอดแทงทะลกุกลายเป็นมีผลปรากฏขึ้นที่เรียก ว, ว่านี่รอนี่รอ แทงตลอดในชนี้หมายถึงดับทุกเหตุให้เกิดทุกแทงตลอดที่เหตุดับเหตุได้ทุกก็ดับแทงตลอดได้ก็ทุก ท, ทุกดับใช้ปัญญาวิริยะขันติวิริยะก็ต้องเพียรต้องประกอบขันติต้องอดต้องทนเหมือนอย่างที่เรานั่งภาวนามาสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่า ต้องอดต้องทนไหมอะต้องอดต้องทนไหมต้องอดต้องทนอย่างยิ่งยวดทีเดียวแหละไม่ใช่อดทนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่อดทนเหมือนเดาทนแบบทนหามธรรมดาธรรมดาทนยับยั้งทนบังคับจิตของเราทนยับยั้งจิตของเราทนอบรมจิตของเรา ทนพินิพิจารณาทนอดทนกลัน้นทนทุกขเวทนาเจ็บปวดปวดหรือไม่ปวดดู ด, ดิชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงลงไปเนี่ยปวดยืดยัก ย, ยืก ย, ยักยืดยังเนียบางคนสบสากสบสาอย่างนทุกข์หรือไม่ทุกข์ถ้าไม่อดทนทำไงลุกเดินไปเฉยแะดีไม่ดีโทรศะ แทรกเข้ามาอีกโมโหโมโ oh หเพราะอะไรเพราะเจออารมณ์ที่ไม่ชอบความเจ็บความปวดเป็นอารมณ์ที่ต้องอดต้องทนอารมณ์ที่ต้องอดต้องทนเนี่ยเราไม่ชอบแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ไม่ต้องอดไม่ต้องทนเหมือนอย่างความสุขเนี่ยเราไม่ต้องอดเราไม่ต้องทนแต่ก็เป็นเหตุให้เราเพลิน <S <S เพลินเพลิน <S <S เพลินเพลินไปแล้วก็เพลอนละ เพลินไปแล้วกับเผลอเพลินไปแล้วกับเผลอถูกมันดึงไปแล้วมันลากไปแล้วกันติดกันติสัจจะอธิษฐานสัจจะก็คือสัจสัจสัจเราจะว่าสัจจรรมก็ได้ เราจะว่าซื่อสัตว์ก็ได้คำว่าสัตว์สัจธรรมีสัจธรรมีถือสัตว์ถือคำสัตว์คิดยังไงทําอย่างงั้นออกปากยังไงทําอย่างงั้นตั้งใจยังไงทําอย่างงั้นทําให้ได้ตามนั้นเที่เขาเรียกว่าตั้งสัจจะตั้งสัจจะตั้งสัจจะเพื่อพิสูจน์ให้เห็นสัจจะสัจจะคือของจริง ตั้งสัจจะตั้งสัจจะก็คือพยายามจะทําตามที่เจ้าของตั้งเอาไว้คําว่าสัจจะสัจธรรมก็หมายถึงความจริงอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เรียกสัจธรรมสัจธรรมคำวาตั้งสัจจะอันนี้ก็คือทําจริงตามที่เราตั้งเอาไว้เป็นกิริยาที่เราตั้งใจเพื่อที่จะประกอบเหมือนพุทธเจ้าท่นตั้ ง, งที่คนต้นโพน ไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดจะไม่หยุดไม่ยอมลุกขึ้ น, นเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดนะใช่ไหมนี่ตั้งสัจจะอธิษฐานมาด้วยกันอธิษฐานเพื่อความดับทุกข์เพื่อความพ้นจากโทษของกิเลสเพื่อบรรลุเพื่อเข้าถึงพระสัมมาสัมโพธิญาณ นันเป็นอธิษฐานอธิษฐานตั้งเอาไว้สัจจะทําให้ได้ตามนั้นขันติอดให้ได้ตามนั้นวิริยะภาคเพียรให้ได้ตามนั้นปัญญาขบเจาะให้ทะลุทะลวงไปได้ตามนั้นศีลก็รักษาเอาไว้ตล่อมเข้ามาตล่อมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาสัจจะอธิษฐานเมตตา เมตตานี่เป็นน้ําำฉลอมหัวใจให้ชุ่มให้เย็นตลอดเมตต า, อ, าอุเบกขาโอ้กรรมของสัตว์โอ้กรรมของเราโอ้กรรมของเขาต้องทนต้องทนต้องอดต้องทนต้องสู้ต้องแบกบต้องแบกบต้องหามถึงคราวทุกข์ถึงคราวลาบากลําพึงลําพันถึงกรรมกรรมของเรากรรมของเขา กรรมสกุลเหตุกรรมใดายาโดกรรมยนิกรรมบรรทุกรรมปิติสารนสารนองมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกําลังกริสันติทกรรมใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นทําลงไปแล้วไม่ไปไหนกรรมเพราะเราทําก็คือเราเร า, เราเริ่มเราทําเหตุ ใ น, นเมื่อเราทําเหตุไปแล้วผลผลให้ในขณะนั้นถ้าเราสังเกตดูผลให้ในขณะนั้นก็มีผลสืบทอดต่อๆเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นพบเป็นชาติเป็นหลายๆชาตินี่ก็มีให้ผลส่งไปไม่จบเป็นวิบากเป็นกรรมพิจารณาถึงอุเบกขาถึงกรรมของสัตว์ พิจารณาถึงกรรมของสัตว์นี่เราพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนเป็นมนุษย์เหมือนเรามันเป็นมนุษย์เหมือนเราเราท่านประสบความทุกข์ท่านก็เบื่อหน่ายในความทุกข์อ๋เราก็ทุกข์อ๋เขาก็ทุกข์ทำไ ง, ง, งเมื่อเราค้นทุกข์แล้วเราจะช่วยเขาได้ พยายามสร้างบารมีเห็นไหมบารมีทั้งสิบนี่นแหละเวลาทาของท่านอ่ะท่านทำทานบารมีทานอุปบารมีทานปรามัตถบารมีมันมีสามระดับขั้นพื้นพืนธรรมดาขั้นกลางขั้นอุป ก, กริตรอุป ก, กริตแปล ว, ว่าทําเต็มที่ทําอย่างยิ่งเช่นเหมือนกัน ในธรรมปัญญาปริยะอันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบขาเป็นบารมีเป็นอุปบารมีเป็นบารมัตะบารมีสมลมรดับอย่างละ10ก็เป็น30ที่ทเรียกว่าบารมี30ทัศนะ์บารมีสาสทัศน์นี่พูดตั้งใจบําเพ็ญให้เต็มเปี่ยมคือพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระส า, ะสาวกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องบําเพ็ญถึงขนาดนั้น เพราะเราสาวกสาวกะแปล ว, ว่าผู้ต้องได้ยินได้ฟัง<ม>ได้ยินได้ฟังแล้วก็ทำตามที่ท่านทำตามที่ได้ยินได้ฟังมานะครับประสบผลคือมีมีคนบอกมีคนชี้ทางให้เดินเราก็เดินตามทางที่เขาชี้ให้เดินพระสงค์พระสาวกแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องมนุษุธรรมเองมนุษุธรรมด้วยเรี่ยวแรงของพระองค์เอง แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าไปศึกษาที่นู่นที่นี่เหมือนอย่างพุทธเจ้าของเราโรงเรียนศาสตร์จบก่อนบวชหลายหลายศาสตร์ออกบวชอีกหกปีเนี่ก็เที่ยวบำเพ็ญบรรดาคณาจารย์ที่ไหนที่ว่ายเยี่ยมที่สุดเราไปศึกษาจ น, นหมดบำเพ็ญตบะบำเพ็ญอะไร สาพัดเป็นการทําเพื่อเป็นการทดลองอดอาหารก็อดฉันอาหารตั้งแต่อิ่มธรรมดาธรรมดาก็ลดลงลดลงลดลงลดลงจนเหลือเม็ดเม็ดเดียวเนี่ยเม็ดเดียวจะมีอะไรข่าวเม็ดเดียวอ๋อเ ด, ดี๋ยนี้ชันตั้งแต่ฉันเต็มอิ่มธรรมดาเลยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยลดไปเรื่อยสิบคาเหลือเก้าคำเหลือแปดคําด้วยเจ็ดคำ จนเหลือนหนึ่งเม็ดนะคิดดูสิลองทําหมดไปบำเพ็ญตนดูดิในพุทธประวัติท่านพูดถึงเนะ่ยไปกั้นลมไปอดไปกดลมไปกั้นลมหายใจกัดฟันกัดเอาฟันกับฟันกัดกันเนี่ยเอาลิ้นแตะเพดานเนี่ยกั้นลมอันนี้มีที่ออกมันก็ออกทางหู่น่นะลม ออกทางหูเมไม่มีที่ออกออกทางหูถึงถึงขนาดนั้นนะตรงทรมานหมดลองหมดทั้งทั้งทรมานกายแต่การลองส่วนมากจะเป็นจะเป็นการทรมานกายแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยซ้าไปว่ากิเลสอยู่อยู่ภายในใจและจะแก้กิเลสในใจยังไงยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้บรรลุเนี่ยยังไม่มีใครสอน อุทกนาบทอาราณาบทาาบ ท, ที่ว่าเป็นอาจารย์ที่ละเอียดที่สุดต้องก็สอนเรืร่องฌานรูปฌานอารูปฌานรูปปัสมาบัติอรูปปัสมาบั ต, บติคือความสงบของใจสงบละเอียดละเอียดเอียดจนมิดไม่มีอะไรสอบละเอียดจนไม่มีอะไรแต่เวลาถอยมาจิตธรรมดาก็มี ความโลภมีความโกรธมีราคะมีตัณหาอะไรเต็มแปร่เหมือนเดิมเพราะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจไม่รู้ท่านเหล่านั้นไม่ได้สอนไม่ได้บอกเป็นเหตุพระองค์ต้องจะต้องมาค้นคว้าเองแต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าภูมิรู้เหล่านั้นจะคอยเป็นพื้นเป็นบาปเป็นฐานให้ชิดอย่างความสงบเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอามาสอนประยุกต์เมื่อสมัย พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยสินสมาธิปัญญานี่ยสินสมาธิปัญญาดูในอรยิยมรรคในองค์แปดศินสมาธิปัญญาย่อนออกมาเป็นสามเป็นศินเป็นสมาธิเป็นปัญญาเพราะสินระงับกิเลสหยับหยาบทางกายทางวาจาสินระงับกิเลสทาง กิราทางกายทางวิชาสินห้าดูที่ระงับอะไรบ้างเราดูไปที่สินห้าระงับอะไรบ้างศินแปดระงับอะไรบ้างละเอียดไหมดูที่เราต้องถืออะไรบ้างที่เราไม่ทําตามความอยากของเราศินห้าไม่ฆ่าสัตว์ทำไมรักย์ไม่พมระพฤติผิดใน ก, กรรมกับผัวกับเมียตัวเองได้อยู่แต่ของคนอื่นน่ไม่ได้แต่ถ้าเป็นศินแปดไม่เกี่ยวข้องเลยดูที่ มันยิ่งใหญ่ไหมผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวข้องกนันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่ต้องอดต้องทนต้องระงับ ต, ต, ต้องถืออย่างบังคับอย่างไม่งั้นไม่งั้นกน็ลอยตกอยู่ในอํานาจของของราคะตันหาไม่เกี่ยวข้องกันสามีภรรยาก็ไม่เกี่ยวข้องกัน ถือสินแปรไม่เกี่ยวข้องกันนีเป็นต้องยิ่งใหญ่นี่คือต้องบังคับสินไม่ทาสัตว์ในลักทรัพย์ไม่พมระเพื่อนผิดในกรรมแลไม่เกี่ยวข้องกับกรามไม่ปลูกโกหกคึกข้นองไปตามเรื่องคำพูดไม่กินเหล้าไม่กินอาหารนยามวิการไม่กินอาหารนยามวิการทานอาหารเช้าชวดเที่ยง เที่ยงไปถึงอรุณขึ้นวันใหม่เป็นยาววิการ18ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่18ชั่วโม ง, 18, โมง18 19 20 24ชั่วโมง18ชั่วโมงหากออก6ชั่วโมงก็เลย18ชั่วโมง18ชั่วโมงนี้เราไม่รับทานอาหารหนั่อย่างเพราะ <c oughs> มันเป็นยาววิการ 1ชั่วโมงทานอาหารมื้อเดียวหรือสองมื้อก็ตามในเวลา6ชั่วโมงร่างกายเราอยู่ได้สบายปริชาพิสูจน์มาแล้วร่างกายอยู่ได้สบายนอกจากฉันมื้อเดียวแล้วยังมีการดอดอีกแต่บางคนยังหิวยังอดยากอดลาบากจันเช้านะครับฉันก่อนเที่ยงนย สองสองสงมือแต่ตั้งใจจะอดจริงๆมันก็ไม่ทุรนทุรายอะไรลำบากะไรมากฉันปานะฉันอะไรไปฉันน้ำโ ก, โกโก้น้ำกาแฟอะไรไปฉันสิ่งที่มันมีที่หลบที่ไม่ใช่อาหารเพราะที่บริุธเจาท่านทรงบัญญัติไว้ประเภทอาหารประเภทปานะประเภทเจ็ดวันเนี่ยน้ำน้าตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อย ประเภทจ็ดวันประเภทพวกยาเนี่ยันยาวิการพวกเราก็มาอนุลมยาประมัดปรมามัดแท้จริงกิเลสมันมันยัดกินประม <c oughs> ัดฮะะโดยชัดเจนกันแล้วกันแหละประมัดปรมามัดนะนะ เพราะพืชเหล่านั้นบางอย่างท่งานจัดเป็นยาแล้วเราก็มาต้มเป็นปนัดแก่นนนแก่นี้ช่วยให้ร่างกายหายปวดเช่นปวดเอ็นหายปวดเจ็บปวดหลังเยียวยากระเพาะว่าไปสิ่นี้ต้องบังคับ สมาธิยิ่งต้องบังคับอีกบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวสงบบังคับจิตให้สงบจิตนี้มันดีดน๋ดิ้นจิตดี๋ดิน้นจับจิตชิดดิ้นนี่แหละให้สงบท่านให้ภาวนายจิตสงบที่ท่านเรียกว่าสมาธิสงบบ่อยครั้งเข้าจิตตั้งมั่นแข็งแรงมั่นคงพร้อมที่จะพิจารณาหาเหตุหาปัจจัย าหาเหตุหาปัจจัยเพื่อทำลายความหลงภาในใจของเราเองสมาธิจิตมีพลังคือความสงบแล้วามาพิจารณาทำลายความหลงการพิจารณานั่นเป็นปัญญาเป็นศิลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเห็นไหม น, นียมมัคคีวงศ์เปรตพระพุทธเจ้าท่านดําเนินตามนั้นท่านพิจารณาท่านสอบหาด้วยพระองค์เองด้วยเรี่ยวเรี่ยงของพระองค์เอง สองไปส่องมาส่องมาสองไปเข้าหลักปฏิจจสมุปบาทเข้าหลักอริยสัจสี่เห็นไหมเข้าหลักอริยสัจสี่เห็นว่าทุกอย่างในโลกเกิดจากเหตุมีเหตุด้นอ่องพลิกแผลงเปลี่ยนแปลงหาเหตุหาผลหาอะไรกันไร ที่เป็นเหตุให้เกิดให้ตายให้เกิด ใ, ให้ตายคืออะไรอซก็ไปหาก็ไปหาก็ไปเห็นกิริยาการของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในใจในเมื่อพระองค์เห็นสิ่งเหล่านั้นก็ระ ง, งับหมดนทำให้พระองค์บรรลุอาสวัคคายายานใช่หไหมในปัจฉิมยามยามสุตรายท้ายแห่งราตรีจเลิเหล่านั้นก็หมดไปจากหัวใจนี่คือพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้เป็นพระเจ้าแต่ท่านเป็นมนุษย์เหมือนเราท่านเป็นมนุษย์เหมือนเรานะ่ะมีพ่อมีแม่มีปัญจขันมีทุกขกองปัญจขันก็คือกองทุกข์ท่านมีกองทุกข์เหมือนเราท่านแก้กองทุกข์ของท่านได้ชำระจิตผู้รู้ของท่านให้บริสุทธิ์จะไดเอาผู้รู้เหล่านี้เอาความรู้เหล่านี้เนะี่ยมาสอนพวกเรา เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำเราขอพ้นทุกเหมือนดูที่ปัญจวัคคีดัญญากุลดัญญาวะปะพัทธิยามหานามอสิจิกันฟังธรรมะกันอนัตตะลักนะสูนมันมันลุกเป็นพระรหัสพร้อมกันทั้งหมดก็คือจิตเข้าถึงสัตยธรรมความเป็นจริงถอยถอยถอยถอยถถือว่าเป็นการชัก สิ่งที่เคลือบแฝงมากับเหตะให้หมดให้หมดจดให้ผู้รู้เหลือแต่ผุ้รู้ที่บริสุทธิ์ที่หมดจดสะอาดร้อยไม่เคลือบแฝงด้วยกิเลสสะอาดเหมือนอย่างพระองค์จิตบริสุทธิ์เหมือนอย่างพระองค์ความบริสุทธิ์นี่เท่ากันแต่ภูมิรู้พิเศษเนี่ยไม่เท่ากันแม้แต่าภาษาวก็ไม่เท่ากันแต่ภูมิความบริสุทธิ์ของจิตเนี่ยเท่ากันหมด พระพุทธเจ้าก็เท่ากับพระสาวกพระสาวกก็เท่ากับพระพุทธเจ้ามีความบริสุทธิ์เท่ากันหมดแต่ความรู้ความสามารถเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะคุณสมบัติแตกต่างกันแม้แต่พระ ส, ระสงฆ์สาวก บ, บางองค์ก็มีคุณสมบัติเหมือนอย่างพระโมคคัลลาะนะเงี้ยเลิ่ในทางริษพระสารุตรเลิ่ในทางปัญญาเนี่ยคุณสมบัติ เมื้อกันเหนือ้อชั้นกันคนละยเอยาีาดแต่ความบริสุทธิ์ที่จะล้าสิ่งเหล่านี้ให้หมดจดไปบริสุทธิ์เท่ากันเหมือนกันหมดแน่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านเมื่อใดเป็นเทพเจ้าท่านสอนสาวกด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเท่านั้นที่มันเพียบพร้อมไปด้วยเหตุด้วยผล สิ่งใดมีผลปรากฏสิ่งนั้นจะต้องมาจากเหตุเรายังอับจนกับเหตุเราก็ต้องใช้ปัญญาเสาะหาเสาะหาเสาะห า, ะหาวิธีใดก็ตามวิธีที่เราเสาะนะั่นแหะเสาะด้วยเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เหตุใดก็ตามก็ต้องมีผลตามมาไม่เคยมีผลใดที่ประสิทธิจากเหตุไม่เคยมีเหตุใดที่จะประสิทธิผลไม่มีจึงสรุป ได้ว่าธรรมะคำสอของพระเจ้ามีเหตุกับผลไปดูอริยสัจสี่คือเหตุกับผลพุธิจัสมุกบาทอาศัยกันและกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเหมือนระลอกน้ําเห็นไหมน้ําเราลองเอาก้อนหินโยนลองน้ําต้ม เราลอกแล้วมันก็ตีไปตีตีผิวน้ําตป๊บปับป๊บป๊บปบปบปับลอกที่หนึ่งที่สองที่สามที่สตีกันเป็นต่อตอต่อตอต่อต่อต่อปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันที่ท่านไล่่าเป็นอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเป็นวิญญาณคือท่านไล่เป็นเหตุเป็นผลเป็นเหเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลไล่มาจนถึงเนื่องอะความเศร้าโศกของพวกเรามันมาจากไหน ความเศร้าโศกความคร่ำครวญความเสีย อ, อกเสียใจความร้องหง่ร้องไห้มาจากไหนก็มันก็มาจากมาก็มันก็มาจากกายกายมาอย่างไหนก็มาจากเกิดเกิดมาอย่างไหนก็มาจากเรามีที่มาเกิด ท, ที่เรียกว่าพ บ, พบมาอย่างไหนก็มาจากมันมีสิ่งจับจองอกปาทานสิ่งเหล่านี้เป็นผลิตผลของใจผู้เดียวไม่มีอย่างอื่นใจคือผู้รู้ใจคือท่ารู้ ธาตุดินเหล่านั้นไม่มีเกจจำนงที่จะไปไปสร้างไปดัดไปแปลงไปทำอะไรทั้งนั้นสิ่งที่แสดงโลกให้ปรากฏกับห้วใจของเราก็คือจิตคือผู้รู้คือทารู้เนี่ยที่พูดตั้งแต่ดัง้งต้นต้นต้นคือทารู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเมื่อเกี่ยวข้องกับธาตุที่ไม่รู้ เกี่ยวข้องที่ธาตุกับธาตุที่ไม่รู้ก็เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยมีลําตัวมีหัวมีแขนมีขามีอวัยวะครบสามสิบสองมีประสาทมีมันสมองมีอวัยวะสำหรับเชื่อมต่อกับธาตุรู้กับผู้รู้ที่ออกมาเห็นไหมผู้รู้ของเรามันออกมาต่างๆไปเห็นนู่นเห็นนี่ ความรู้มันออกไปเห็นนะเพื่อเอาผลรายได้เข้ามาสู่หัวใจของมันนะ่ะมีหูไปรับได้ยินมีจมูกได้กลิ่นมีลิ้นได้รสมีกายได้สัมผัสใช่ไหมนี่มันเริ่มหาเหตุหาปัจจัยมาแล้วนะโดยเหตุที่มันมีสิ่งวิจิตพิสดารถึงขนาดนี้จิตมันเลยหลงหลงหลงหลงตัวเอง หลงไม่มีไม่มีที่ที่แก้หลงไม่มีไม่หลงไม่รู้หลงไม่มีที่แก้ไม่มีวิธีแก้อยู่อย่างนั้นแหละถ้าไม่มีผู้ตั้งใจบําเพ็ญบารมีก็เป็นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้มาชี้มาบอกมาสอนพวกเราก็มืดตึบอยู่อย่างนั้นแหละมีใครรู้ดอกนี่เราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปเนี่ยอยู่ในฐานะที่เป็นอุเทสิกเจดีที่เขาทำขึ้นมาองหนึ่งก็คือเจดียองหนึ่งองหนึ่งก็คือเจดียองหนึ่งรูปครูบาอาจารย์ของเราก็เช่นเดียวกันที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาษาพกภาษาพกก็คือท่านมีคุณธรรมเรามองเห็นปั๊บไม่ต้องมีใครอธิบายให้ฟัง ความรู้มันบอกโอ้หลวงปู่สาวเป็นยังงั้นหลวงปู่มั่นเป็นยังงั้นหลวงตาเป็นยางงั้นถ้ามีคุณสมบัติยังงั้นเรากราบเรากราบบุญเรากราบคุณของท่านสมเด็จสังราชเรากราบบุญเรากราบคุณของท่านไม่ใช่เรากราบทองนะไม่ใช่เรากราบเหินไม่ใช่เรากราบทองไม่ใช่เรากราบรูปไม่ใช่เรากราบรูปในกระดาษไม่ใช่เรากราบคุณ เพราะท่านมีบุญท่านมีคุณคุณเหล่านั้นควรค่าควรค่ายัางไงควรค่าให้ท่านบิสุทสุดได้เช่นอย่างพระพุทธเจ้าคุณค่าของบารมีที่ท่านสร้างสองมอบรมควรค่าให้ท่านวัิสุดหมดจดจากกิเลสได้โดยสิ้นเชิงพระสงฆ์สาวกะบุญคุณของท่าน ถ้าไม่ท่านหมดจดจากที่เรียนโดยชินเชิงนั่นแนหะคือบุญคือคุณของท่านท่านมีอยู่ในตัวของท่านเรากราบระลึกถึงบุญทึงคุณเหล่านั้นคือที่เราจะได้ดําเนินเดินตามท่านไปได้บ้างอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นเหมือนท่านเราจะได้ตั้งใจทําตามบ้างจึงมีการนิยมทำผมจะรูป ร, รูกแทนพระพุทธเจ้าอืม ไม่ใช่เราไปกราบอิฐกราบปูนกราบทองกราบกระดาษดูให้ชรู้อย่าไปติดสมุดอย่าไปลองคำสมุดของตัวเองต้องดูให้เข้าใจอย่าเปตาบอดหูหนวก้อยกราบทองกราบทองโอ้ยกราบเหล็กโอ้ยกราบอิดกราบปูนโอ้ยกราบหินไม่ใช่ ท่านไม่ได้สอนให้กราบสิ่งเหล่านั้นท่านสอนให้กราบเราเลึกถึงบุญถึงคุณกราบใดที่ท่านไม่เ ล, ลือกถึงบุญถึงคุณนี่การกราบของท่านเนี่เปล่าดูให้ดีกันแล้วกันนะออดูให้ดีเวลากราบต้องเ ล, ลึกถึงคุณนะ่ะเห็นคุณยังไงบ้างเราเ ล, ลึกถึงคุณอย่างนี้เนะ่ยเรากราบไปตรงไหนหถูกหมดโน่นไปอยู่กลางทุ่งนั่นนะ กราบหันไปตรงไหนถูกหมดบระริเจ้าพระธรรมสงค์ถ <the> ูกหมดกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบให้ถูกหมดเพราะอะไรบุญคุณมันขึ้นที่ใจนู่นมันขึ้นเหมือนกับเข็มมันขึ้นเหมือนกับอะไรตัวเลขอะไรมันขึ้นเน่ะอย่างสมัยทุกวันเนี่ยมันมีตัวเลขขึ้นอ่ะมันขึ้นที่ใจนู่นบุญคุณมันขึ้นที่ใจกราบตรงไหนก็ได้กราบตรงไหนก็ถูกหมด นะเพราะฉะนั้นจึงสมมุติอะไรทําท่านกราบได้เท่านั้นเอาหินมาฟันฟันฟั น, ฟนเหมือนรูปพระพุทธรูปนี่กราบได้เอ า, อาดินมาปั้นปั้นปั้นปันเหมือนพทุทธ ร, รูปนกราบได้เอาอิสอมาขีดเป็นรูปพุทธรูปนี่กราบได้แต่เราไม่ได้กราบสิ่งเหล่านั้นเรากราบบุญเรากราบคุณของท่านดูให้ออกนะ ไม่ใช่ลมๆแรงๆนะกราบปุ๊บบุญคุณของท่านกระเทือนถึงใจของเราไม่ใช่เรากราบอย่างลมๆแรงๆแม้แต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ในโลกนะธาตุที่บริสุทธิ์ของท่านเนี่ยธาตุพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์เป็นพระอาหารหันติพานไปแล้วเนี่ยท่านก็ยังอยู่ในโลกกับเรานี่แหละ แต่มันไม่มีสมมุติมาพาดพิงพวกเราก็ไม่เห็นสมัยพุทธเจ้าทำปรินิพานกรรมอ่ะท่านพาดพิงสมมุติน่ะเข้าไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกจากฌานที่สี่อรูปฌานท่านก็ไม่เข้าโรคฌานท่านก็ไม่อยู่พระนุรุธา ม, มองไม่เห็นละมองไม่เห็นพระจิตของพุทธเจ้าละธาตุรู้ของพุทธเจ้ามองไม่เห็นแล้ะเพราะไม่ได้พาดพิงฌาน รปูปฌานไม่ได้พลาดผิงไ ม, savvy, ไม่ได้อย okay ู่ออกออกแยกรูปฌานมาแล้วอรูป์ฌานก็ไม่เข้าอารูป์ฌานก็เป็นสมมุติไม่ได้พลาดผิวไม่เห็นพระนุรุทธะไม่เห็นนิพพานแล้วมองไม่เห็นแล้วโรงนิพพานไปแล้วเน่ตอนโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาจากฌานนี้ไปฌานนู้นจากฌานนู้นไปฌานนู้นสิ่งนั้นมีไหมมีใช่ไหมมีที่พอท่านท่านไม่เข้ามาเนี่ยท่านจะไปไหนท่านก็อยู่เนี่ย อยู่กับพวกเราเนี่ยพราะฉะนั้นตั้งใจทำบ้านสวดมนต์ตั้งใจภาวนาตั้งใจกราบเราลึกถึงบุญถึงคุณของท่านเราไปกราบพระพุทธเจ้าเราไปกราบด้วยความเห็นว่าศักดิ์สิทธิ์วิเศษอยากได้รางวัลดีอย่างนั้นอย่างนี้อ่าดูเนะดูเป้าประสงค์นะดูเป้าประสงค์ผิดเป้าประสงค์ไปแล้วถ้าผิดเป้าประสงค์ไปแล้วเนี่ย ไอสิ่งที่จะได้มันกลับไม่ได้ใช่ไหมเพราะลืมบุญลืมคุณสิ่งที่จะยังผลสำเร็จให้เกิดขึ้นแก่เราได้ที่เราไปกราบไปไหว้นั้นคือบุญคุณของท่านอืมอย่าลองบุญคุณพอเราพูดถึงบุญถึงคุณเรากราบตรงไห น, นเราละลึกตรงไห น, นก็เตือนใจเราบุญคุณมีอยู่ที่ใจของเรา มุนยางพวกรามะเขากราบนะเขากราบหมดตัวเลยเนี่ยพวกทิเบตเขากราบนะตั้งใจกราบจริงจริาถือว่าเป็นวิธีกราบทีบ่ได้บุญที่สุดพวกกราบเนี่ยนี่เราไปเขาที่แล้วเห็นมันกราบถนนก็ถนนมีแต่ถนนอัดยางที่มันเก่าชำรุดเป็นหลุมเป็นบอ่อโอ้ย แล้กบางช่วงเขาก็สอมมีทั้งกีตมกี้โครนมันกราไปางั้นแหละนะแต่เขามีเขามีอะไรพลาดนี่นะพล า, า, นะ า, า, นะาดหน้าอกเขานะเขามีผลาดอะไรนนะผ่านหน้าอกเขาพลาดข้อศอกเขาพลาดหัวเข่าเขานะเขามีทาไมพลาดเขามาถลอกบอกเปิดหมดแล้วะ <laughs> ลอกบอกเปิดหมดอืม น, นั่น ตั้งใจทำจริงๆก็ถือว่าเขาได้บุญบุญได้ยังไงนะระลึกถึงทุกครั้งได้บุญทุกครั้งได้วิริยะบารมีใชระลึกถึงบุญถึงคุณเรื่อยๆเหนือๆบ่อยๆได้วิริยะบารมีศรัทธาในวิริยะแล้วก็ได้ปัญญาระลึกบ่อยๆได้ปัญญาได้ประโยชน์ ในใจของเราของท่านขอให้มันมีบุญมีคุณหลงเหลืออยู่ไม่ใช่ปฏิเสธเหมือนอย่างบางลทัทธิลทัทธิว่ามไม่มีบุญพ่อก็ไม่มีบุญคุณแม่ก็ไม่มีบุญคุณข้าวปลาอาหารก็ไม่มีบุญมีคุณนี่คือตาบอดตาบอดหูหนวกไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาตาบอดเองหูหนวกเองตาบอดตาดีๆแล้วแหละถึงเป็น ต, ตาบอด ใจบอดบอดปรรัญญาไม่มีบุญไม่มีคุณไม่รู้จักบุญคุณคืออะไรพ่อไม่มีบุญคุณแม่ก็ไม่มีบุญคุณทําบุญก็ไม่ได้บุญทําบาปก็ไม่ได้บาปคนจะได้ดีได้เองเนี่ยดูมีที่ไหนมันก็ว่าสุ่มเดาไปตามเรื่องเหม่เห็นมีมีเหตุมีผลอะไรไม่มีเหตุผล ไม่มีเหตุผลคำว่าไม่มีเหตุผลก็คือปฏิเสธเหตุผลนั่นแหละทําลงไปอยู่จะว่าไม่ไม่ว่าไม่มีบุญไม่มีบาปจะเหตุทําไปทะพื้นตะพือเหตุทําไปทะพื้นตะพือแต่ผลปฏิเสธเอ๊ผลที่เราทําเนี่ยอันนี้ก็เจ้าว่าดีก็ไม่ใช่อันนี้จจ้าว่าไม่ดีก็ไม่ใช่หรือเอจ้าว่าดีก็ไม่ใช่เจ้าว่าไม่ดีก็ใช่ วัญจวัดีก็ไม่มีว่าไม่ดีก็มีก็ไม่มีไม่มีปฏิเสธว่าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสวรรค์นิพพานไม่มีสัตว์ตายแล้วเกิดใหม่ไม่มีนะปฏิเสธเฉยนแล้วเ <c oughs> พระาะอะไรเพราะมันตาบอดหุนหนวกใจบอดสติปัญญาบอด อืพวกเราเป็นผู้หนักแน่นในบุญในคุณต้องมีบุญคุณในหัวใจขนาบพระไม่ใช่มับมับม่บมับม่บแลกแล้วนะเราเลิกถึงบุญถึงคุณเนี่ยบางคนไม่เลึกถึงบุญถึงคุณเนี่ยมับมับม่ บ, บันบับลาบหลักแล้วดูให้ดีน้องปุชชาต้นว่าการกราบเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่ามากง่าย ลึกถึงบุญถึงคุณกราภไอออนให้นิ่มทุกครั้งเห็นหมู ก, กราบพาันลุกพิ่ภาพก่อนเราทันทีทุกครั้งนั้นที่จริงมันก็เสียอย่างหนึ่งนะไม่ดูผู้นำเคยคิดกันไหมเนี่ยเคยคิดกันบ้านอกบ้านไหมเรากราบยังไม่จบดอกเรากราบเหลือทั้งสองสามครั้งอีกเนี่ย คนนีือพับเพื่อพับเพื่อพับ พ, พูดคุยเจ้วเจ้าเต็มไปหมดทำไมไม่ดูทำไมไม่ ด, ไมไมดูเราว่าจะไม่พูดนั่นเนี่ยท้าหลายเท่ากันไม่เห็นมีใครรู้จักไม่เห็นมีใครสังเกตมันขนาดนั้นนะพวกเรานะนะมันมีอะไรสะกิดใจมันมีอะไรเตือนจิดเตือนใจบ้างไม่มี เอาอะไรมันฉลาดเราดูเถอะที่เราพูดมันผิดไหมดูเถอะแล้วก็เหมาะสมไหมดูดีไหมเราดูดิดูดีไห ม, ไ ห, มหัวหน้ากราบยังไม่จบนะไอพวกนี้พึดธพืทธ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พคุยกันเจ้าเนี่ยนะมันนานได้หรือเกินนะถ้าเราไม่บอกเนะี่ย ไม่ได้ไหนสื่อไม่ได้เนี่ยต้องเราได้บอกเนี่ยเนี่ยบอกกําลังบอกอยู่เนี่ยมีใครคิดฟ <c oughs> ังไหม <c oughs> นี่ในใจให้มันมีบุญมีคุณพ่อมีคุณหรือแม่ไหมแม่มีคุณไหมพ่อมีคุณไหมฉลาดไหมพอที่จะรู้ว่าเออั่านทำนั้นโอ้นี่แหละอันนี้แหละคือคุณไม่มีบุญไม่มีคุณปฏิเสธได้ยังไง เลือดเนื้อมาอย่างไรเอาอะไรไปเกิดเอาเลือดอะไรสกิจหยดไปเกิดในท้องแม่มีไหมใครเอาเลือดไปเกิดในท้องแม่สกหยดมีไหมไม่มีของท่านทั้งหมดอ่ะโครงสร้างที่ได้มาของท่านทั้งหมดหามาเป็นหนอ่อเป็นเนื้อเป็นเชื้อพันธ์ของมนุษย์ออกมาแล้วก็ได้โครงสร้างมาใช่ไหมของพ่อของแม่เท่านั้นแหละ อะไรเป็นของเราถ้าจะว่าของเราก็คือข้าวปลาอาหารที่เราใส่ไปเองทนั้นแหละข้าวปลาอาหารนี่หรือเป็นเราไล่เข้าไปอีกเพื่อหาอัตตาหา อ, าาหาอนาตาอัตยาข้าวปลานี่หรือเป็นเราน้ำนี่หรือเป็นเราขนมนมเนยนี่หรือเป็นเราแต่หากว่ามันสืบช่วงเป็นสันตติสืบช่วงไป เหมือนอย่างเราเกิดในท้องแม่เป็นน้ําน้าําใสๆเป็นน้ําคุณคุนเป็นน้ําล่างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจสาขายูแปดเก้าเดือนครบมาการสามสิบสองแล้วก็ออกมาเห็นไหมมันถูกก ร, รมถูกกรำผลักเข้ามาเรื่อยผลักเข้ามาเรื่อยดันเข้ามาเรื่อยบีบขันเข้ามาเรื่อยบีบขันเข้ามาเรื่อยนี่เป็นโครงสร้างสร้างความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนี้ บางลัทธิเขาว่ามีคนนั้นสร้างคนนี้สร้างพระเจ้าสร้างเนี่ยแต่ใครเป็นคนสร้างพระเจ้าก็ไม่รู้พระเจ้าตอบได้หรือ่าเหมือนพระเจ้าเนี่ยใครเป็นคนสร้างสร้างตัวเองขึ้นมาเหรอเอาอนี่เราพูดเพื่อเทียบเคียง จงพุะติเจ้จาของเราท่านมีพ่อมีแม่ท่านเป็นมนุษย์เหมือนเราเนี่ยโดยเรียเร่ยวแรงที่ท่านตั้งตั้งใจสร้างคนงามความดีท่านพ้นทุกพ้นโทษไปได้สอนพวกเราเราตั้งใจทำก็ได้รับความสุขพ้นทุกพ้นโทษพ้นสุดเหมือนท่าน ก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานดีก เ, เอาเอาแคน่นี้แหละวันนี้สามสี่ทุ่มหละกลับถึงบ้านอีกห้าทุ่มหกทุ่มเละนอนนี้เปล่านะเนี่ยสลายใหญ่เนี่ยเอากลับได้ เดี๋ยวเดี๋ยวพระขอนีสยเอาขอหนีสาย